ธรรมชาติของจิตเป็นอย่างไรคะจะเป็นไปทางฟุ้งซ่านไปในทางบวกหรือทางลบเจ้าคะ่ะคือคืออยากให้อยากให้เจริญสติซะก่อนนะคำถามนี้คนที่ถามนั้นจะต้องฝึกสติพอฝึกสตินี้ความเข้าใจนี้จะเกิดขึ้นแล้วคำถามก็จะเปลี่ยนไปด้วย ถ้าตอบไปตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์นะให้ไปเจริญสติซะก่อนนะถ้าเจริญสติยังไม่ได้ก็ท่องมนเขาว่าอีทีพิสโสกี่จบนะอายุยืนๆอ่ะเ้อมีไหมร้อยแปดเหรอไหวไหมร้อยแปดจบ หมายว่าสวดมนต์นี่หมายว่าเป็นสมถะกรรมฐานทําให้จิตสงบบางคนนี่ไปเพ่งมากๆไม่ได้นะพุทโธพุทโธนี่มันหงุดหงิดมันเอาไม่อยู่แต่ถ้าสวดมนต์ให้อ า, อายุยืนยืนอิติบิโซสต ว, วาะระหังซั่มซัมพุทโธเบิกบานใช่ไหมนึกถึงพระบูตเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์ใจมันจะค่อยๆกลับเข้ามากลับเข้ามากลับเข้ามานานเข้านานเข้าไอ้บทสวดนี้ชักยาว เอาพุโทโธทำโมสังโฆดีกว่าพุทโธทำโมสังโฆต่อม umm าพุทโธพุทโธดีกว่าต่อว่าพุทโธก็ไม่เอาวางเข้าใจไหมมันไปตามตันลําดับลําดับคือคําถามฟังนี่มันมันเข้าใจเข้าใจคนถามอ่ะก็คืออยากอยากเห็นจิตอ่ะอยากสงบอ่ะก็ธรรมะของพระเจ้าแม่ปฏิบัติแล้วมันดีเหลือเกินอ่ะที่ถามมาน่ะไม่เข้าใจเลยอ่ะก็อยากรู้บ้างอ่ะ ก็เลยแนะนำมาให้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วมันจะไปที่เดียวกันหมดมันจะเห็นสติดีค ว, วบคุมคิดจิตได้เป็นสมาธิจากนั้นตามดูกายตามดูเวทนาตามอยู่ติดตามดูธรรมไปตามลำดำับคำถามจะลดลงไปเรื่อยๆ